76ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอกร น, นีสแสดงธรรมในวันที่22มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอยากลืมเรื่องเก่า วันนี้เป็นวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2558แล้วและก็เมื่อวานลวงพ่อไปฉันที่บ้านปลัดจังหวัดท่านปลัดนิคมรู้สึกว่าหมู่พกเพื่อนท่านเยอะท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าหลายท่านและกันายอำเภอหลายอำเภอ แล็พี่น้องประชาชนหลายกลุ่มเข้าไปร่วมงานทำบุญบ้านของท่า น, ท, านท่านบอกว่าท่านยังไม่เคยทำบุญบ้านส้างมาอยู่มานานอะ่ะานี้เป็นประหลัดจังหวัดอุดรท่านก็เลยทำบุญเมื่อวานเนี่ยพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็มาก ตอนบ่ายโมงไปประชุมอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแต่ไม่ได้เข้าวัดป่าบ้านตาดไปประชุมอยู่ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพราะว่าเราไปประชุมมูลนิธิมูลนิธิธธเสียงธรรมเพื่อประชาชนไปประชุม ก, กันก็ขาดองค์ประชุมไป2ององค์เพราะไปต่างประเทศก็มีประชุมหารือกันโอ้หลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จได้ คือมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนนี้นะที่แรกพอตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาดอดขึ้นมาก็ยังไม่มีมูลนิธิพอต่อมาเขาก็เอาทางเข้าทางกฎหมายหลวงตาท่านก็ท่านบอกเว้ยไม่ตั้งถอกมูลนิธิหลวงตาบอกอยังง น, นนะหลวงตาไม่ชอบเรื่องมูลนิธิเนี่ยนะ หลวงตาไม่ชอบมูลนิธิทำไมท่านจึงไม่ชอบอท่านก็พูดให้ฟังว่าสมัยท่านไปอยู่กรุงเทพเอพอไปอยู่กรุงเทพในวัดให ญ, ใหญเ่เขาก็มีมูลนิธิพอตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ดอกผลของมูลนิธิเขาจะถวายพระในอาวัตนั้ น, น, นนะเป็นเดือนเดือนละสมติห่ า, ามีกลุ่ม พวกที่อยู่เป็นเป็นคณะนะคณะเหนือคณะใต้คณะตะวันออกคณะตะวันตกคณะกลางลักษณะอยังไงนะแต่ละคณะท่านก็เอาปัจจัยมูลนิธิเนี่ยดอกผลของมูลนิธิเนี่ยถวายคณะละสองพันสามพันห0 0พันกระสุนแท้แต่แต่เนี่พระในคณะนั้นนะไม่บินทบาทท่านว่ากันนะอาศัยกินกับมูลนิธิทําให้พระ พระขี้เกียจถ่าว่านะหลวงตาท่านว่านะออทําให้พระขี้เกียจเพราะนั้นเราจะไม่ตั้งเราจะไม่ให้ทํามูลนิธิอย่าเอามาทํานะอันนี้ก็คือของที่หลวงตาท่านปักใจสมัยท่านไปอยู่กรุงเทพเป็นพระน้อยพระนุมนะออทําให้พยองพองตัวอีกต่างหากทําให้ไม่งอโยมอีกต่างหากมันหลายเรื่องจริงๆระถ้ามีมูลนิธิขึ้นมาแล้วอาศัยมูลนิธิ ไม่อาศัยปีแขร่งของตัวเองไม่อาศัยการบินทบาทหลวงตาทำมาเพราะนั้นเราไม่เราไม่เห็นด้วยที่จะทำมูลนิธิแต่ที่พูดที่เขาไปขอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปแสดงไปกราบเรียนทนหว่ า, ม, ามูลนิธินี้ไม่ใช่ว่าเราจะรับรองพระสงฆ์อย่างที่องค์หลวงตาเข้าใจแต่เพราะว่าสถานีวิทยุเนี่ยถ้าหากว่า เอาเงินวัดค้ำเนี่ยไม่เขาค้ำไม่ได้มันต้องมูลนิธิค้ำสถานีวิทยุของหลวงตาจึงจะจึงจะถูกต้องสมบูรณ์ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้อะไรวัดเอาวัดค้ำเนี่ยดูๆแล้วมันไม่ไม่ได้ตามกฎกติกาของเขาหลวงตาก็อเอาถ้าอย่างงั้นก็ถ้ามันเป็นอย่างงั้นก็เอา ตั้งก็ตั้งตั้งก็ตั้งตั้งตั้งซะท่านก็อนุญาตพออนุญาตเสร็จออกมาแล้วท่านก็ไม่ได้ให้ปัจจัยมานะทน่าอหลวงพ่อก็เออเอาเมื่อหลวงตาอนุญาตแล้วหลวงพ่อเอา้าปัใจจัยในวัดของเราหนึ่งแสนบาทเขาก็อย่างน้อยต้องให้สามแสนสามแสนห้าแสนไม่ให้ต่ํากว่าสามแสนตั้งมูลนิธินะ หลวงพ่อเออเอาเราหนึ่งแสนเท่าแก่กุกคงเอ้าผมหนึ่งแสนโรงแรมสิดิแกนคุณสิริธรรมเอ้าผมหนึ่ง0สเท่าแก่สมัมหนึ่งแ0 0แล้วก็ท่านจกคุณวัดเทพซิลินท่านมาภาวนากับลูกศิษย์ของท่านอยู่ที่นี่เออท่านนั้นผมขอถอยมูลนิธิอีก 1,000 0แนท่านอาจารย์เอออะไรครบครบห 0,000 พอดี พอดีหลวงพ่อได้เงินห้าแสนเลยให้ท่านพ่อ อ, อันั น, นเป็นผู้ดําเนินการในการก่อตั้งมูลนิธิ ก, ก็ให้หลวงตาเป็นประธานหลวงตาเป็นประธานมูลนิธิจากนั้นหลวงพ่อก็เป็นเลขาเลขามูลนิธิขนาดหลวงพ่อเนี่ยตามไม่จริงไม่คาดไม่คิดยจะไปให้ให้หลวงพ่อเป็นเลขาไม่รู้เป็นไม่รู้จะทําไงหลวงพ่อเอา เป็นเลขาแล้วทํำยังไงวะทีนี้เกิดพอออนนะครับไม่เป็นไรครับท่านอาจารย์หลวงพ่อครับเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ดําเนินการให้เออน่แหะหลวงพ่อก็เลยเอาให้ท่านพอออนนั่นเน่ยเป็นหูเป็นตาเป็นไม้เป็นมือแทนหลวงพ่ออหลวงพ่อนี่เป็นเหมือนกับฝันข้างบนเท่านั้นแหละพ่อออนนั่นเหมือนกับฝันข้างล่างใช่ไหมฟันข้าวบนมีแต่คอยรับเท่านั้นแหละนี่แหละหลวงพ่อก็ได้เป็น เลขามูลนิธิของหลวงตาจากนั้นก็หลวงพ่อเอาเงินของคุณแม่ชีแก้วนะเข้าไปถวายอีกหนึ่งล้านแล้วปัจจัยของเราอีกหนึ่งล้านก็สมทบเข้าไปเพื่อจะให้หมูลนิธิเป็นผึกแผ่นผลในสุดก็ได้เงินเป็นปัจจัยมากพาะชมพวรอยู่นะมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน mm. เดี๋ยวเมื่อวานนะ ไ, ด mm. ได้เท่าไหร่ ร้อยสาล้านมั้งที่ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาเพรอต่างคนก็ต่างถวายเข้ามาต่างกลั่มต่างวารรคนะพอหลวงตาล่วงลับดับขันไปเราก็เอเอาอยัางไงก็เลยตั้งให้หลวงปู่บุญมีเป็นประธานพอเป็นพี่ชายใหญ่หมู่ท่านเป็นประธานหมู่นิธิเขาก็เลยให้หลวงพ่อเป็นรองประธาน หลวงพ่อก็เดยตึงหลวงพ่อสุธรรมเข้ามาอีกเป็นรองประธานสองรองประธานสองแล้วก็ให้ท่านสุดใจพระอาจารย์สุดใจจอวาดเป็นเลขาเลขามูลนิธิเสียงถรมเพื่อประชาชนทางนั้นก็มีทั้งหมดมีอยู่1ิ10มูลนิธิบริหารคณะกรรมการมีอยู่15ท่านนะแล้วก็หาเข้ามาพวกท่านครูบาอาจารย์พวกน้องนุ่งทั้งหลายนะเอาเข้ามาทางาน 1ิ้าองค์แล้วก็ทำงานมา จ, ด, จดทะเบียนมารอบหนึ่งละสี่ปีเขาจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็ต่อมาอีกคราวนี้ก็เนี่ยละเดือนตุลาเนี่ยเป็นจบเป็นรอบที่สองนะปัจจัยก็มั่นคงแล้วหลวงพ่อเขามองแล้วมองอีกอ่าก็เลยเมื่อวานประชุมเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าหลวงพ่อ เองนะหลวงพ่ออินถวายเนี่ยที่เป็นรองประธา น, นหมู่นิธิเสียงธรรมเพื่อประชาช น, นหลวงพ่อขอล้างมือนะขอลาเพราะว่าทํามาหลายปีแล้วแล้วก็มูลนิธิก็ตั้งตัวขึ้นมาได้แล้วหลวงพ่อเองขอลามือต่อพวกพี่ๆน้องๆทั้งหลายให้พวกพี่ๆน้องๆถ่ายด้านดำเนินการต่อไปเพราะ หลวงพ่ออายุมากแล้วแก่แล้วอายุเจแล้วจับป่าเขา71อแล้วแล้วก็ต่อไปการสั่งการสั่งงานอาจจะปั่มปัมเปอร์เปอรประมูลนิเทศนี่มันเออมันจะต้องอาศัยพวกที่มีหัวคิดปัญญาถ้าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ มีไม่ดีเหมือนกันที่พวกเราทั้งทั้งหลายได้ยินเออมูนิธิรั่วไหลบ้างโมนิทิเสียหายบ้างอะไรต่อเมื่อไรหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราบริหารจุดนี้แล้วก็ออเออเอ้ามอบให้พวกน้องๆดําเนินการต่อไปนเนนะมื่อวานในหลวงพ่อก็ได้บอกกับคณะกรรมาการมูลนิธิ <c oughs> หลวงพ่อขอล้างมือแล้วก็ หลวงพ่อก็เองก็ทํามูลนิธิตั้งสองสา ม, มูลนิธิด้วยมูลนิธิหนึ่งมูลนิธิหลวงพ่ออินทไวสันตุจโกดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลสูตรอุดรธานีอันนี้ก็อกองหลวงพ่อแต่ตามไม่จริงทําไมไม่เอาหลวงตาหลวงพ่อก็เคยพูดพรอเราจะเอาชื่อหลวงตานั่นแหละแต่ญาติพี่น้องของหลวงตาเขาห้ามเขาว่าไม่ มูลนิธิเมื่อเอาชื่อหลวงตาออกไปแล้วเดี๋ยวจะไปหาแผ่หาขอเลียยไยทําให้ชื่อเสียงของหลวงตาเสียหายเขาไม่สามารถที่จะอนุมัติอนุญาตได้พราะหลวงตาไม่อยู่แล้วมันก็มันก็จริงนะแต่หลวงพอ่อหรือทาอย่างนั้นเอาชื่อหลวงพ่อก็แล้วกันเพื่อให้มูลนิธิเดินได้ทางว่าไม่มีทางว่าไม่เดินไม่ได้จะทําทไงเอาชื่อหลวงพ่อก็แล้วกันเลยตั้งชื่อหลวงพ่อนะ แต่ก็ยังพูดอยู่ทางว่าเดินมูลนิธิเดินได้ดีไม่มีปัญหาอาจจะเอาชื่อหลวงตาเข้ามาใส่พอาหลวงตาเป็นร่มโพ ร, ร่มใสของพี่น้องประชาชนพระลูกพรลานทั้งหลายในเขตละแวกนี้น่าจะเป็นชื่อหลวงตาคุ้มของพระลูกพรลานนะแต่ให้มูลนิธิเดินได้ซะก่อนแต่เราจะตั้งขึ้นมาเดี๋ยวก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะมองไปอีกมุมหนึ่งแต่เมื่อบริหารไปแล้วไม่มีการเรียอะไลไม่มีการแผขอ กับพี่น้องประชาชนาทําโดยเป็นธรรมแต่ก็ดูแลพระสงฆ์อาพาธก็คงจะเกิดประโยชน์ต่อพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยแต่ปัจจัยจํานวนนี้ก็ อ, อุ่นหนาฝาคั่งขึ้นมาในระดับหนึ่งระดับก็ไม่เดือดไม่ร้อนอันนี้ก็คือปัจจัยพงพ่อเป็นประธานมูลนิธิและกมูลนิธิ ท, ที่ที่แรกกว่านี้ก็คือหลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิ หอพิบาลสงหลวงปู่มั่นปูริทัตโตสีนครินจังหวัดขอนแก่นดูแลสงอาพาธอันนั้นก็ประสบความสำเร็จนะประสบความสาเร็จยังไงเมื่อสร้างที่แรกก็หมดไปประมาณกับเกือบสิบล้านนะแล้วก็มีเตียงมีอะไรมีเครื่องอุปกรณ์มากจากนั้นก็จากนั้นมาถึงที่นี่6ปีแล้วนะตอนนั้น6ปีแล้วแต่มนิทิของโรงตานี่เพิ่งตั้งปีนี้ แต่ตอนนั้นได้หกปีแต่รู้สึกว่าครูบาอาจารย์พระเถระเข้าไปเจ็บไข้ได้ป่วยพระโรงพยาบาลได้ดูแลจุดนั้นดูสึกว่าอืเมื่อทําจุดนั้นขึ้นมาแปลว่าไม่ผิดไม่ผิดหวังเกือแต่ไม่ไม่อยากจะให้ครูบาอาจารย์ป่วยพระเนีนเจ็บไข้ได้ป่วยหรอกแต่ว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว อ, อไม่ไปไม่รู้จะไปโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลศรีนคริน สมทกเหมาะสมที่สุดเพราะว่ามีอาจารย์หมอแล้วก็มีนักเรียนแพทย์ไม่ขาดแพทย์ขาดหมอสมบูรณ์เวลาครูบาอาจารย์เจ็บไข้ด้ป่ยไปเห็นเนก็เป็นที่ประทับใจของครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ไปนำครูบาอาจารย์ไปดูแลรักษ า, อ, าออกมาท่านก็ต่างคนก็ต่างพอใจ อ, อันนี้ก็คือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ของพ่อเป็นมุด เป็นประธานมูลนิธิแล้วก็บองของมูลนิธิของเมืองอุดอรอีกนะแล้วก็มูลนิธิเสียงธรรมมูลนิธิวิทยา้ศีลวั น, นอันนี้คือมูลนิธินาคาน้อยของเราเนี่ยมูลนิธิตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรมาเพื่อเผยแผ่ธรรมะทำคําสอนพอเจ้าของเจ้าของผู้ที่ให้มูลนิธิมาท่านบอกว่า อยากจะให้พิมพ์หนังสือเผยแผ่ธรรมะหรือธรรมเทศนาจะเป็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะแล้วก็เน้นประวัติหรือวันเน้นทำคําสอนของหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชาแต่ว่าของหลวงพ่อหลวงพ่อ เรา อ, อยู่ในอวยทำไจะทําจะต้องการทําเลยอนี่แหละอันนี้ก็คือมูลนิธินี้เพื่อเพื่อเอผยเผยแผ่ธรรมะทำคำสั่งสอนแต่หลวงพ่อก็ได้ให้อจะตุปใจก้อนนี้ไปทําเป็นฮาร์ดดิสธรรมเทศนาของหลวงตาตจะพยายามจะเก็บธรรมเทศนาของหลวงตาไว้ให้มากที่สุดจะเป็นรูปภาพก็ดีจะเป็นไฟเสียงไฟภาพ ออพอหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วจะไม่มาเทศนาว่าการอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราเที่เป็นลูกหลานที่พอที่จะเก็บหอมรอมเร็บทําคําสอนขององค์หลวงตาก็จะพยายามเก็บแล้วก็แปลให้เป็นหนังสือถอดให้เป็นหนังสือออกมาเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นจุดนี้ข่าวนี่นะเ อ, อคือจะเน้นทําคําสอนขององค์หลวงตาเผยแผ่ พระทามคาสอนเพราะว่าองค์หลวงตาเนี่ท่านได้ทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติปริยัตท่านก็ได้เป็นมหาเออมหาหลวงตามหาบัวนะเออท่านท่านพูดออกไปเ ป, เป็นบาลีก็ตามเป็นศัพท์ไหนก็ตามเป็นที่ยอมรับของทุกทั้งฝ่ายฝ่ายเรียนฝ่ายปริยัตคือฝ่ายพวกมหาป ร, ริยัและก็ฝ่ายปฏิบัติ ท่านก็ได้ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นได้ศึกษาธรรมะกับหลวงปู่มั่นท่านก็หลวงปู่มั่นก็รับรองแต่ตัวท่านเองก็ท่านก็มั่นบอกประกาศแล้วว่า เ, เราไม่มีอะไรสงสัยใจของเราบริสุทธิ์แล้วท่านพูดรับรองอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินจากนั้นทำคำสอนของท่านที่ท่านประกาศออกมา อ, ออกมาหรือพูดออกมาเราก็เป็นทำคำสอนที่ นำผู้ประพฤติปฏิบัติถึงอัดถึงถึงอัดถึงทํามได้ถ้าว่าผู้มีอุปนิสัยต่อไปภายภาคหน้าถ้าได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแนวแถวขององค์หลวงตาที่ท่านสอนลูกสอนหลานสอนพระสอนเนนผู้มีอุปนิสัยเคาจะยึดแนวแถวปฏิปทาของท่านก็จะเป็นบุญเป็นกุศลของลูกของหลานต่อไปนานเท่านานถ้าเราไม่ได้ใส่ใจเออทาไม่ได้เก็บ รักษาไว้เดี๋ ย, ยกวก็าหายคนนั้นเก็บหล่นไปบ้างหายไปบ้างผลที่สุ ก, ก็เลยหมดไปโดยปริยายเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้คิดอยากจะมีทั้งไฟเสียงด้วยมีทั้งไฟภาพด้วยมีทั้งตัวหนังสือด้วยอะพยายามถอดออกมาให้เป็นตัวหนังสือให้มากที่สุดในธรรมเทศนาของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อกำลัง เริ่มทำอยู่นึกกรตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมารองรับจุดนี้แหละน<ม>ังสือในเรื่องนี้น ะ, ะ, ะ, ะเพื่อขยายธรรมเทศนานี่แหล ะ, ะแนวความคิดที่หลวงพ่ออยู่ในป่าในปงนะลงลูกหลานนะก็ไม่ได้อยู่นิ่งเดียวดายดูดายอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาอ่าต่อวงการไหนหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่นั่นนะ่ะมองมอ ง, มองดู อย่างการแพทย์การหมอโรงเครื่องมือแพทย์อะไรก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นหลวงพ่อก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยอย่างวัดวาศาสนาเนี่ยซื้อที่ตินถวายวัดก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะหลวงพ่อก็ได้มองมองดูรอบๆด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสวนรวมสรุปแล้วก็คือยยอย่างประโยชน์ตนอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนบอกกล่าวก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานคนนั้นเราที่เป็นลูกหลานเอเนอเป็นบุตรศากยบุตรหรือว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะเดินเดินตามแนวแถวเออที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินนะั่นแหะแต่ข้อจำพันอย่าไปออกนอกลูนอกทางท่านนแะแต่เดี๋ยวนี้พระ เนนของเราบางทีก็ออกนอกลูก่นอกทางจนเกินไปบางทีแล้วก็แมไม่น่าจะทำไม่น่าจะคิดไม่น่าจะทำไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคณะจตหายาโยมลูกลานแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเรา ท, ทุกทท่านนะให้มองตนเองเอพวกเราทุกท่านที่ผมที่ได้ยินเสียงหลวงพอ่อให้มองตนเอง อย่าหลงตนเองอย่าลืมตนเองเอแล้วก็ให้ประกอบคุณงามความดีชีวิตนี้มันอยู่ไม่นานตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปปุลคุณโทษมีจริงให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เถิดพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์เถอถ้าพวกเราทำความดีแล้วไปอยู่ที่ไหนดีหมดถ้าเราเราทำสิ่งที่มันไม่ดีทำชั่วแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่ดี อถึงจะไม่มีใครรู้มันก็ร้อนอยู่ในจิตในใจอยู่นั้นอ่ะเอ๊ะจะไงผมนี่มีคนมาถามเมื่อวานวันก่อนทำยังไงครับผมจะลืมเรื่องเรื่องเก่าได้เออลืมเรื่องเก่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเอลืมเรื่องตัวเองที่ที่ทําไปหรือว่าการคิดไปหรือว่าการอะไรไปน่ยไม่รู้ล่ะเราก็ไม่ได้ถามมันเรื่องอะไรเพราะว่าเขาอยากจะลืมมันลืมยากเหมือนกันนะ เพราะว่าอดีตมันเป็นบทเรียนเท่านั้นเองอย่างที่พระพุทธที่ภาษาลิบุตรนะท่านไปเทศให้ในายตาเหลอหนวดแดงฟังานตาเหลือภาษาริบุตรว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วทำแล้วจะทำให้จิตใจของเราวิตกกังวลเป็นทุกข์เมื่อภายหลังนายตาเหลอหนวดแดงโ อ, โอ้ตายเราเป็นเป็นเพชสฆาต ประจําเมืองกรุงราชคฤห์เนี่ยาคนมาตั้งแต่อายุ 17-18 ็ปดปีจนอายุถึงห้าสบห้าไม่ล่วกี่ตศพเท่าไรเท่าไรตายข้าใน่ยทํากรรมชดมากมายภาษาริบุตรก็บอกว่าท่านลูกวาลจิตของนายตาเหลอโนดแดงนะ่บอกเอ้ยคุณไม่ต้องคิดอดีตมันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้ว จะทํำยังไงได้มันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่ถึงก็อย่าไปคิดเพราะมันยังไม่ถึงปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้แหะมีคุณค่าท่านต้องปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบันท่านต้องดูให้จิตอยู่ในปัจจุบันอดีตเป็นบทเรียนเท่านั้นนะเป็นบทเรียนบางทีเป็นบทเรียนใหญ่พอสมควรแต่ทีไยังไงก็ผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้ว ให้จิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดีมีมีคุณค่าให้จิตอยู่ในปัจจุบันตลอดไปนะถ้ามันจิตในปัจจุบันดีอนาคตมันก็ต้องดีเพราะเหตุไรเพราะปัจจุบันมันดีถ้าปัจจุบันไม่ดีอนาคตมันก็ไม่ดีเพราะไรมันไปออกไปจากปัจจุบันในเมื่อปัจจุบันดีแล้วอนาคตก็ดีเพราะนั้นให้พวกเราฟังดูนะเนี่ยอันนี้แหละคือภาษาริบุตรเทศอบรม นายตาเลอโนดโนวดแดงเป็นเพชฌฆาตไปจําเมืองกรุงราชคือนะจากนั้นท่านได้ฟังภนะาษาริบุตรเทศทางฝั่งใจของนันเข้ามาอยู่ในปัจจุบันนะจากนั้นกับท่านเทศอนิจางทุกขังอนัตตาใจรักนะนายตาเลอโนดแดงก็ได้สำเร็จพระโสดาบันนะได้สําเร็จพระโสดาบันภาษาริบุตรเออเอาได้พระโสดาบันแล้วก็จบลนะพระโสดาบันเนี่ยคือเป็นผู้ไม่ตกต่ำนะท่นี่ ถ้าวันนายตาเหลือหนวดแดงเกิดมาพบนายชาณาชัยถูกเขาฆ่าแน่ๆแล้วเพราะว่าจะฆ่าเขาไว้ตั้งเยอะแยะใช่ไหมแต่ถ้าไม่เกิดไม่ถึงเจ็ดชาตินเนี่ยพระสุวราราชเกิดไม่ถึงเจ็ดชาติก็ได้สำเร็จเป็นพระหันในเมื่อเป็นสำเร็จแล้วก็กกหมดระบาดเนี่ยไปวักกรรมเป็นอโอโหสีกรรมกรรมให้ผลสำเร็จแล้วท่านข้ามฝากไปสมมติว่า หมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยไล่ไปที่ไล่กัดดวงวิญญาณของตาเหลือหนวดแดงอยู่ตลอดใช่ไหมพอท่านได้สำเร็จพระโสดาบันเนี่ยพอท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์เยแต่พระโสดาบั น, น ย, ยังอยู่อยู่เล ย, ยังอยู่ในโลกอยู่จะต้องเกิดอีกหนึ่งชาติสมชาติเจชาติพระโสดาบันเกิดไม่เกินเจชาติพระโสดาบันมีสามเกรดเกรดเเกรดบเกรด C. เกรดเเนี่ยเกิดชาติเดียวเกรดบเนี่ยเกิด3มชาติเกรดซเนี่ยเกิด7ชาติแต่ท่านก็ไม่ได้พูดว่านายตาเลอหนวดแดงเข่าแดงเนะี่ยจะเป็นพระโสดาบันเกรดไหนเท่านแต่ว่าเป็นพระโสดาบันนะแต่ถึงอย่างไรก็เถิด้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ถ้าเกิดมา7ชาติก็คงจะถูกฆ่า7ชาติเพราะกรรมที่ถูกไปฆ่าเขาไว้แล้วนะ แต่ถึงยังไงแต่พอค่าถึงเจ็ดชาติท่านภาวนาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แท้อกรรมทั้งหลายก็เหมือนกับอยู่ในเมืองไทยแต่ถ้าท่านข้ามเรือไปหรือว่าขึ้นยานอาวกาศไปอยู่ไปอยู่บนดาวพระอังคารซะแี่หมาโมนี่มันหาไม่เจอเฉยๆหาไม่เจอไปรวยทางไปทางมาของของนายตาเหลือโวดแดงนะนี่แหละอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะั่นแะ ถ้าว่าพวกเรายังอยู่ในโลกวัตสงสารเนี่ยมันต้องกรรมเก่ากรรมเรื่องกรรมทั้งหลายมันต้อง อ, อ, อิรันพันตูกันอยู่เรื่อยถ้าหากว่าถ้าเราไม่ได้สำเร็จพระโสดาบั น, นแต่พระโสดาบั น, นถึงเขาฆ่าและก็เฉยนะแล้วกว็แล้วไปไม่ไม่จองกรรมจองเวรนะนพอเขาฆ่าือกรรมของฆ่าและก็จบนะแต่ถ้าว่านอกตำนอกจากพระโสดาบันลงมาเนี่ย เป็นปูตุชนเนีถ้าเขาฆ่าว่ามึงฆ่ากูชาติหน้านะขาดชาตินี้กูสู้ไม่ได้ยอมแพ้เอาเถอะชาติหน้านะอกูจะต้องจัดการมึงเลยผลใ น, ะนสุดเกิดมาชาติหน้าเอาอีกเองผลในสุดไม่มีใครแพ้ใครชนะนะออพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเวนจะระงับได้ถ้าหากว่าเราไม่จองเวน เวรจะระ ง, งับได้จะระ ง, งับไม่ได้ถ้าาว่ามีการจองเวรกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเวรกรรมเวรนนคือการจองกันนะอสมมวันเราเขามาฆ่าเราเราก็เอยเอยชาติหน้านะเจอกันเจอกันใหม่เลยเพอเจอชาติหน้าเลยกันพวกนี้ก็เอาแหละเอา ช, ชนะนะคนนั้นก็เอยต่อไปนะเอชาติหน้านะนี่แหละ มันจะไม่มีใครแพ้ใครชนะใครเพราะฉนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรามาเกิดได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เ, เราอย่าไปก่อกรรมทําเข็ญจะไปจองเวรมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาก็ขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีเวรมีภัย ข้าพเจ้าจะไม่จองเวรกับผู้ใดใครทั้งหมดในจักรวาลไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แหมข้าพเจ้ายินดีโอโหสียให้กับทุกทุกดวงวิญญาณข้าพเจ้าจะไม่ขอจองกรรมจองเวร น, นี่แหละในเมื่อเขาจองเวรเรา เ, เราไม่จองเวรตอบผลที่จะเวรนั้นก็จางจางจางจางหายไปเรื่อยๆนะ เ, เป็นผู้ไม่มีเวรมีกรรม แารขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะบอกให้คณะญาต า, า, า, าญาติโยมลูกหลานได้ฟังตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอนะัทนนนะ